بسم nah uh uh uh ur ah الله الرحمن الرحيم อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ميَّد الله فلا مضللة وَمَيْ يُضَلِّ فَلَهَا دِيلَةٌ أشهد أن ل إله إ ا الله و ح ه لا ش ي ك له وأشهد أن م ح د ا و ر س ل ه اللهم ب m m أصبحنا و ب ك ا أمسينا و ب ك نموت و ب ك نحيا وإليك النشور ا ل ل ه h أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستعد أبوؤلك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أبوء بذنبي غ ْ ف ِ ر ร لِي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما ص ن ع ت ُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักพี่น้องที่ร่วมนมาศุบหรืออีกคำหนึ่งเรียกว่าฟัตเจอพี่น้องที่ร่วมนมาฟัที่รักทั้งหลาย อัล h a m d u ขอบคุณอัลล سبحانه แะ تعالى ที่อัลลให้เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกก็คือดวงบทแรกที่เราอ่านบนที่นอนอัลม am นี่ดองที่นบีมุฮัมมัดอ่าน บรรดาสัฮาบานบีทุกคนเป็นแสนคนเขาอ่านกันนบีทุกคนอ่านบทนี้อ่านดวอาบทนี้บนที่นอนคนดีๆก็อ่านดวอาบทนี้คนซืด่ดีกรีนอ่านดวอาบทนี้พ่อค้านักธุรกิจที่มีศาสนาเขานึกถึงอัลลอฮ์นักเรียนนักศึกษาตามมหาวิเลยเขก็นึกถึงอัลลอฮ์ดูกันทุกคน รวมไปถึงชาวบ้านที่มีาศาสนาเวลาเขาเน่นตื่นนอนบนที่นอนเนี่ยเขาก็อ่านนึกถึงอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และก็ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีอัลฮัมด sure? ุล<บ>ิลลาฮิลลาฮิอัลัยฮิอบะอาดามะอามะตานะวาอิลฮินชูแปลว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาบรดาการสรรเสริญเนี่ยเป็นของอัลลอ์ เป็นการชมอัลลอฮ์อัลลอฮู้ที่อหยานาะให้เราให้เราตื่นขึ้นมาให้เราฟื้นขึ้นมาให้เรามีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่อัลลอฮ์ทำให้เราได้ตายไปตายมายถึงนอนหลับไปไวไลฮินูชูรแล้วก็ไม่ช้าเราก็จะตายจริงๆอะบนนอนอยู่ในกูโบแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราฟื้นขึ้น หลังจากตายอีกครั้งหนึ่งเราต้องฝังความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในหัวใจเราทุกคนเราเป็นคนสองโลกโลกดุนยากับโลกอาเคโรต้องนึกตลอดเวลาเรามาไม่ใช่คนโลกเดียวเราเป็นคนสองโลกต้องนึกคือเตือนใจเราตลอดเวลาว่าเราต้องตายตายแล้วต้องฟื้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยไม่ใช่ ตายแล้วตายเลยนั่นสัตว์สัตว์ฉันเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นคนเป็นคนที่เราอลารักเมตตาขอบคุณนะล้อเราได้ทบทวนกูรานมาเนี่ยตั้งแต่สุรัฟาติฮามาเรื่อยมาวันนี้ถึงสุรัตที่สิบหกแล้วทั้งหมดสิบห้าปี ที่สอนกันมาเนี่ยพูดหลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปหลายคนแล้วจนนักเรียนที่อายุสิบห้าเนี่ยหรือสิบสี่ปีเนี่ยหรือสิบสามปีเนี่ยเราเริ่มสอนคุณอ่านยังพวกเธอยังไม่เกิดต้องขอบคุณ Allah, ัาาลลัะ์สุภาณะหาวตาดาสูร้อนนหลูที่เรากำลังอ่านไปอยู่นี่เนี่ยนะอันนหลูแปลว่าพึ่ง ตัวพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ท่านนาบีสอนบอกว่าสัตว์ทุกชนิดที่ทำอันตรายกับคนอัลลอฮ์สร้างมาบนโลกนี่เนยเยอะไปหมดนะแล้วก็สัตว์ประเภทนี้อัลลอฮ์จะฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งและเอาไปอยู่ในนรกแล้วก็ไปไอทรมานไปกัดคนที่ไม่เอาศาสนา คนที่ไม่เอาสุนนะนบีคนที่ไม่เอาอิสลามคนที่ไม่เอาอัลกุรอานมากํากับชีวิตคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเราจะให้อยู่ในนรกอยู่จนกว่าความผิดของเขาจะหมดนะ่ะแล้วก็อัลลอฮ์ก็สร้างมาแมลงเนี่ยมแมลงที่แพนทำอันตรายให้กับคนเนี่ยอัลลอฮ์ะจะสร้างอีกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ไปอยู่ในนรกคอยไปใกล้กัด คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยยกเว้นพึ่งพึ่งเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ให้ไปอยู่ในนรกมีชนิดเดียวตัวพึ่งพึ่งนี่กัดเจ็บนะอย่าคิดว่ากัดไม่เจ็บนะตัวต้อนี่กัดเจ็บนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดอนะ่ะแต่อลัลลอ์เนี่ยนบีสอนบอกว่าที่นบีสอนก็คืออลัลลอฮ์บอกกับนบี ให้มาสอนให้รู้เพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยตัวผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งนี่มีประโยชน์กับมนุษย์มากเลยเกินในคัมภีร์คุรานเนี่ยถ้าเปิดอ่านจะเห็นชีฟาอุลลินนสฟีฮชฟาอุลลินนัสอายที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฟีฮชฟาอุลลินนสตัวน้ำผึ้งเนี่ยมีเป็นยาสำหรับมนุษย์ มีสวาวบ้านบีคนหนึ่งปวดท้องเราเอาไปใช้ได้เลยนะปวดท้องแล้วไปหานาบีนบีก็บอกว่าไปดื่มน้ำพึ่งไปพัดไปดื่มแล้วก็มาหานาบียังไม่หายเลยนบีไปดื่มอีกวันที่สองไปดื่มอีกก็ไม่หายอีกวันที่สามไปดื่มอีกไม่หายอีกนบีบอกว่าซอดดอกอ คือที่อัลลอ์พูดนะจริงที่อัลลอ์พูดในกัมภีรกุรอานบอกว่าฟีฮีชิฟาอุลินนาสนะเป็นเรื่องจริงวัากาซาบาบตนุอคีกับัตุเบว่าทองแต่ทองของคุณน่ะทองของพี่ชายของคุณทองของคนที่คุณมาเล่าว่าเขาป่วยอ่ะทองมันดื้อยาคำพูดของอัลลอ์เนี่ยจริงหมดที่บอกว่า น้ำผึ้งเนี่ยรักษาโรคนะมันจริงแต่บางคนอย่างกินแล้วมันหายชาเนี่ยไปโทษอลัลลอฮ์ไม่ได้ท้องของคุณตั้งหันแล้วมันดื้อยาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาชาคนนี้ก็หายจากการเจ็บขไข้เดรป่วยปวดท้องเนี่ยกินน้ำผึ้งหายฉะนั้นบ้านมุสลิมบ้านมุสลิมนะต้องมีอะไรนะน้ำผึ้งเก็บเอาไว้อย่าเอาน้ำผึ้งปลอมล่ะ ไอ้ของปลอมเนี่ยอย่าเอาตัวเราเองกับปลอมคนไม่เอาศาสนาคนปลอมทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นมีน้ำผึ้งเก็บไว้มีอินทผลัมอดตัํโรตมร์มีอินทผลัมมาไว้เก็บไว้ในบ้านนะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีดื่มนมนมวัวกับนมแพะดื่มอะไรดีกว่ากันนมแพะ พอนมแพ้เนี่ยดื่มไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยย่อยนบีดื่มนมอูดเป็นประจำแล้วแข็งแรงสบ้านาบีนี่แข็งแรงหมดเลยไม่มีใครไม่สบายรู้ไงว่าแข็งแรงอ่ะเพราะว่าสว้านาบีบางคนมีลูกเท่าไรเจ็ดสิบคนมีหกสิบคนมีห้าสิบคนมีแปดสิบคนมีแสดงว่าอ่อนหรือแข็ง แข็งแรงลโลมาต้องหายาโดบนี่แหละและอีกอย่างหนึ่งทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺอัลออบัดยิ่งใหญ่เหลือกเกินทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอให้หมดแข็งแรงกวีในภาษาเกตบว่า strong strong man ลอัลอาบิดด์แข็งแรงทำการด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานาลาแข็งแรงหมดเลย สุร้อนนะฮลูที่เรากำลังอ่านอยู่มาถึงอายาที่ส5ห้าวันนี้ส่วนใหญ่จะคุยว่าเล่าว่าอัลลอ์สร้างอะไรขางทั้งหมดเนี่ยอัลลอ์สร้างหมดไม่ได้เกิดขึ้นเองบางคนพูดว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาตินั่นแหละเรียกในภาษากุรานว่าฟิตรอฟิตรอตุลลอธรรมชาตินะอัลลอ์สร้างมา กับกุตรรตุล้อไม่เหมือนกันความสามารถของอัลลอ์กับกฎธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างมาไม่เหมือนกันอ้า ย, ยกตัวอย่างธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างมาเนี่ยคนจะจะมีลูกได้ต้องผ่านการแต่งงานที่อยู่ดีๆจะมีลูกออกมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ฟิตรตุลอธรรมชาติของมนุษย์ผู้หญิงต้องแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็มีลูกตาม แต่ไม่ตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้แต่ความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งมะของนบีอีสาอะไยจิสตามไม่มีผู้ชายไม่ได้นิก้ากับใครแต่สามารถมีลูกได้นี่ไม่ใช่กฎธรรมชาตินี่เป็นอะไรนะกุดรอตุลรอความสามารถของอัลลอฮ์ที่จะให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาจากท้องผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องผ่านผู้ชาย อัลลอฮ์ทำให้เห็นแล้วอัลลอฮ์ทำให้เห็นแต่วันนี้พออัลลอฮ์ทำให้ให้เห็นเนี่ยนะคนก็ไปรกราบนาบีอีซาแทนแทนที่จะกราบใครกราบอัลลอฮ์ดันไปรกราบนาบีอีซาถูกหรือผิดผิดใครบอกคำพิเศษอุราเล่เมยืนเธอพูเธอถือกันอยู่เนี่ยบอกอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่านกรุรานไปจะเจอนอายาที่สิบห้านี่สรุป Ise, ง่ายๆคือศาสนาอิสลามเมื่อก่อนจะอ่านอายะนี Và, ้นะอ่านฟังนิดนึงอิสลามไม่ได้เอาอะไรจากเราเลยอิสลามไม่ได้เอาอะไรจากเราเลยนะไม่ได้ขออะไรจากมนุษย์เลยแต่อิสลามมีแต่ให้ให้ให้ให้ให้เอาคนถ้าเป็นอิสลามถ้าเป็นมุสลิมที่ดีถ้ามี إ ي م านเข้าใจศาสนาเข้าใจคุรานเนี่ย แล้วก็นามายครบวันละห้าเวลาเนี่ยเขาได้นะเขาได้รู้ไม่ได้อะไรอัลลอฮฺจะให้เกียรติกับคนคนนั้นมากกว่าเก่าอัลลอฮฺจะให้เงินมากกว่าเก่าอัลลอฮฺจะให้อํานาจเนี่ยมากกว่าเก่าอัลลอฮฺก็จะให้ความช่วยเหลือเขามากกว่าเก่าแล้วก็ความสงบทางใจของเขาก็เพิ่มขึ้นคนมีศาสนาเนี่ย อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการจากมนุษย์เลยให้มีศาสนาเพื่ออัลลอฮ์จะให้นหู้นให้นี่ให้นี่ให้นั่นอา้าวคนไม่มีศาสนาเนี่ยมานมาซุบโบเปล่าอ่ะขาดทุนหรือว่ากำไรขาดทุนนี่พวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้ใช่ไหมให้ได้ตื่นนอนตอนตีสีครึง่งแล้วก็เดินมานามาที่มสัสยิดเนี่อัลลอ์ให้อ่ะให้ความสามารถตื่นนอนได้ นถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยนอนหรือตื่นตื่นหรือนอนนอนอยู่บ้านนอนหรือตื่นพ่อตื่นพ่อปลุกตื่นไหมไม่ตื่นอยู่นี่านอาจารย์เอซีีคนเดียวเดินนี่พึดกันหมดเลยเห้นไหมเอาล้อให้อ่ะให้ทำไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเอาล้อไม่ให้พอเป็นอิสลามพอเข้าใจศาสนาอัลลอฮบรดเยเสียงอาญาในเสียงสวรรค์เลยนะ อัลลอฮฺบอกมาอัลลอฮอโอ้พี่น้องตื่นกันเพพบพืพบพพบนี่ไงอัลลให้ให้ความแข็งแรงมีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอ่าดูคุรานอายาที่สิบหว่อัลกอฟิลอาร์ดีราวัสียอันตะมีดบิคุม وأنها รอวะซุบุลละลัลักุมตะตะดูน อัลลอนี่ประว่าปักไว้ปกักเอาอะไรปกักภูเขาอัลลอฮฺเอาภูเขานี่นะมาปักไว้บนดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยเอิร์ธเอิร์ธเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนที่อัลลอฮฺสร้างโลกมานี่นะแผ่นดินมันโครงแขงแผ่นดินมันโครงครขง มาลัยกาบอกอัล้อโครงแข้งมาลัยกาพูดเล่าว่าโครงแข้งไม่น่าอยู่และรูปบ น, นี้ไม่น่าอยู่โครงแข้งสั่นสะเทือนเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ย ว, ยวจะจัดการก็สร้างอะไรนะสร้างภูเขาเพราะฉะนั้นภูเขาที่เลาล่อสร้างมาภูเขาที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นไอ้ที่มองเห็นก็คือที่มันสูงขึ้นมาใช่ไหมล่ะอย่างภูเขาอเวรสตอยู่ในประเทศอินเดียภูเขาอีโต้อยู่ตรงเนี้อยู่เมืองไทยตรงนี้ใช่ไหม นี่อัลลอฮ์ให้เห็นทั้งหมดและที่ไม่เห็นอยู่ใต้ดินเนี่ยอยู่ใต้แ ต, ต, ต่อยู่ใต้อยู่ใต้ดินที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นเข็มหมุดทั้งหมดนี่อัลลอฮ์เล่าในกัปปีคุารานฉะนั้นการที่เรามีภูเขานั่นคืออัลลอฮ์ปักภูเขาวาไว้ให้แผ่นดินแผ่นดินนี้ไม่ให้โคลงเคลงอันตามีดาบิกุมไม่ให้สันคลอนตามีดาบิกุมแปลว่าสันคลอน นี่ถ้าภูเขาไม่มีนะโอ้โหไม่น่าอยู่เลยเคลงไปก็เคลงมานี่นาะขนาดแผ่นดินไหวเล็เกๆน้อยๆเนี่ยยังวิ่งกันปั่นไปหมดแต่แผ่นดินมีแผงไหวไหมไหวอลลอทเล่าให้ฟังดักพิริกรุณาใกล้ๆวันเกียวมาอลอจะให้แผ่นดินมันไหวสม่ําเสมอขณะนี้นะไหวปีนึงเป็นหลายหลายพันครั้งนะหลายไหวทุกวันแต่ว่าเรารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ไอที่รู้นะตายเป็นแสนน่ะอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นอัลลอ์สร้างภูเขามามีประโยชน์หมดเลยนะครับไม่ให้แผ่นดินนี้สั่นคลอนแล้วก็สร้างอะไรอกีกว่าอันฮารสร้างแม่นม้ำ น, ร น, น, ร น, นารุนนารอเนี่ยอันฮัดสร้างแม่นม้ำอา้าวนนั้นเราไปที่ไหนอะสมุทรสาครแม่นม้ำชาจีนอ๋อห้มดูเลยลานคนที่อ่านกุรอ่านต้องนึก แม่น้ำในโลกนี่เยอะไปหมดนะอัลลอฮ์สร้างนะไม่ใช่เกิดเองนะอัลลอฮ์สร้างนะท่า น, นคนอ่านกลัอ่านต้องนึกออกแม่น้ำเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาแล้วก็ให้อะไรอีกอ้ยาย่านี้พูดสามรายการอัลลอฮ์ให้สามรายการกับมนุษย์หนึ่งให้ภูเขามาสองให้แม่น้ํามาลําน้ําลําคลองแม่น้ำเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานี่ไม่ใช่เขาจะขุดคลอง คอดกะบางเราเนี่ยนะจะจะจะมานานาแล้วประเทศริมริมริมพวกเราบอกอย่าสร้างอย่าสร้างกลัวผลประโยชน์มันจะไหลมาตรงนี้แต่สงสัยมระชาชนจะต้องสร้างเลยแหละเพราะผลผลประโยชน์ทั้งหมดแหลปะปัญหาเงินมันเมกมันนี่ได้นี่จะขุดคลองคอดกะใช่หไหมอันธารอนแม่แม่แมแมน้ํา เขาเรียกว่าอะไรนะมนุษย์ด้วยฝีมือมนุษย์แต่แผนของอัลลอ์ทั้งหมดเราไม่รู้นะครับอายานีอัลลอฮ์สร้างสามรายการบอกให้มนุษย์รู้หนึ่งสร้างภูเขาสองสร้างแม่นม้ำต่อมาครับวาซูบูลันสร้างอะไรนะสร้างหนทางถนนอไมใครนึกว่าถนนเนี้ยอัลลอ์สร้างอ่ะอัลลอ์ให้ปัญญากับเบาวของมนุษย์มา ได้คิดทำนูน่นทำนี้ทำนี้ทำนั่นอ่าจจะนั้นเวลาเดินบนถนนนึกถึงอัลลอฮ์บ้างนั่งเรืออยู่ในแม่น้ำก็คิดถึงอัลลอฮ์เห็นภูเขาก็คิดถึงใครคิดถึงอัลลอฮ์สุภาหูตาลาพราะทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดเลยไม่ใช่เกิดเองนะครับไม่มีอะไรเกิดเองไม่มีอะไรบังเอิญในโลกโดุริยาไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว นี่เป็นสัญญาลณกบอกให้รู้ว่าอัลลอ์นั้นยิ่งใหญ่อัลลอ์มีองค์เดียวเท่านั้นเองอย่าทำชีริกต่ออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะตาล้สร้างภูเขามาสร้างแม่น้ำมาสร้างถนนมาเพื่ออะไรละอัลลกุมตัดูนเพื่อสู่เจ้าจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องไม่ความว่าไงนะเดินทางไปไหนมาไหนต่างๆ เดินทางกลับบ้านได้ถูกต้องเดินไปโรงเรียนถูกต้องอาจารย์ยมูเธอมาอยู่ที่าศาสนวิบัติธมเนี่ยพอจะกลับบ้านเนี่ยมันมีอะไรนะรู้เลยรู้เออต้องนั่งรถนี้ไปต้องถนนถนนสายนี้จกได้กลับบ้านถูกต้องอ่ะต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตออัลลอ์มันจะสร้างอะไรมาร้าประโยชน์นะมีประโยชน์หมดเลยนะครับจะนั่นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์นข้อนี้ พอแล้วพอเพียงแล้วที่เขาจะได้กลายเป็นคนที่ขอบคุณ Allah อ, อัลลอ์สุบฮานาหูวะตาลอ่าวอายะนี้อลัลลอ์สร้างกี่กี่รายการนะสามรายการอะไรบ้างครับหนึ่งภูเขาสองแม่น้ำสามถนนหนทางเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็กลับบ้านถูกแล้วก็มาโรงเรียนถูก มีอะไรนะเป็นถนนหนทางอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าในคัมภร์อานเอ้าต่อมาอายาที่เท่าไรนะอายาที่16วหอาลามาติว่าบ um ินนัจมิฮุมยะตะดูนวอาลามาตินอายาที่16นี้อัลลอฮ์บอกว่าฉันสร้างเอกอาลามาตเครื่องไม้ต่าง เครื่องหมายต่างๆอ้าวอย่าเช่อะไรบ้างมีมีเนินอ้ามีเนินอย่างที่ปากใะยูนเนี่ยมีเนินเขาเนินเขาเรียกว่าเนินนะนะมีควนสูงๆพอไปตรงนี้รู้เลยเ อ, ลอ๋อให้อะไรนะให้อัลามัดไว้สัญญาณไว้อย่างคองเคต์อ้าวอัลามัดมันมีเนี่ยมีครองประเภทนี้เนี่ยเห็นไหม ที่เขาทำก็อยู่นี่ก็น้าเน่าของเดเป็นสัญญาณทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมทั้งหมดนั้นอัลลอฮฺให้นะ่ะเป็นอะลามาตมีอะไรนะมีเครื่องหมายต่างๆเพื่อเป็นที่สังเกตไงให้เพื่อเป็นที่สังเกตเอา้าวแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีเครื่องสังเกตมีที่สังเกตไม่เหมือนกันนะอย่าอย่าเอาต้นมะม่วงเป็นที่สังเกตอย่าเอาต้นอะไรต้นก็ะไรนะ ต้นกล้วยเป็นที่สังเกตไม่ได้เพราะมันมีล้มล้มลุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพว ก, พวกอาคารใหญ่ๆอย่างสาสนูบถธรรมนี่ที่สังเกตอยู่ตรงข้ามกับสีคอนเห็นไหมพอมาสีคอนถูกก็มาสาสนูบาธรรมถูกอย่างนี้เป็นต้อนอัลลามะ ต, ต่างๆนี่อลัลลอ์ให้มาทั้งหมดเลยนะอ้าวต่อมาวัาบินนจัจิเแล้วก็อลัลลอ์ให้ดวงดาวมาออกปูนทองฟ้า เวลาเดียวกันให้เรามองข้างล่างและเวลาเดียวกันให้มองข้างบนเห็นไมมองข้างล่างก็ได้มองข้างบนก็ได้นูยูมเนี่ยดวงดาวเนี่ยเอาลอให้ประโยชน์สมรายการขอให้จำไปด้วยนะดวงดาวที่เอาล่อให้มาอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมีประโยชน์สรายการมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งลิตากูนาซีนาตัลลิสมาเป็นเครื่องประดับ ของทองฟ้าแห่งดุนยาเคยงหนดูดวงดาวไหมกลางคืนอะ่ะเคยไหมสวยไหมโอ้สวยเลยเคยชนกันไหมข้างบนอะ่ะเคยไหมเคยเห็นมชนกันไหมไม่มีไม่ชนกันเลยเห็นไหมโคจรตามที่อัลลอฮ์กำหนดนี่แค่ถนนสุขุมวิทเนี่ยชนกันไม่รู้วันละกี่ร้อยคันเนี่ยใช่ไหมขนาดคนขับมีมีเส้นเขียวแดงมีจรวจจราจรแต่ข้างบนเน่ย อัลตานาให้อัลลอฮฺอัลบัดห้ามดุริน ล, ะ, ละหนึ่งดวงดาวเป็นเครื่องประดับของทองฟ้าแห่งโลกดุนยาประการที่สองรูจูมันลิชัยตีนเป็นเครื่องไล่ชัยตอนขับไล่ชัยตอนนี่ผีพุ่งใต้เคยเห็นเคยสังเกตไหมผีพุ่งใต้อะนั่นแหละมันไล่ใคร ไ, ไล่ชัยตอนแงนดูมั่ง วิ่งปื๊ดมามันไล่อะไรไล่าชายตอนใครเล่านะนบีมุฮัมมัดเล่าให้เราฟังอ่ะทำไมชายตอนชอบขึ้นข้างบนอ่ะขึ้นไปแอบฟังเรื่องราวที่อัลลอฮ์สั่งมล า, ายกาให้ทําอะไรบ้างมล า, ายกาพอรับเรื่องมาก็คุยกันโอน้ฉันได้รับสั่งมาจากอัลลอฮ์ให้นําฝนไปตกที่จังหวัดภูเก็ตอ่าอย่างงี้เป็นตน้นชายตอนได้ยินชายตอนไม่ไปแอบอยู่ก้อน ก้อนเมฆไปแอบฟังดูพอฟังเสร็จแล้วว่าเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ฝนตกเวลานี้เวลานี้เพ่อมาลัยกาคุยกันทั้งบนจะให้ฝนตกที่ภูเก็ตจะให้ฝนตกที่พัทยาจะให้ฝนตกที่จังหวัดตราดหรือที่จังหวัดกระบี่ตกทีนึงหลายจังหวัดเนี่ยชายตอนมันก็มาอาามพวกมหาลงมยาบามหาหมอดูก็บอกหมอดูโอ้หมอดูก็ผสมการโกหกบ้างตอแหลบ้าง ก็ทํานายทายทักหาเงินกับคนโง่โงที่ไมีเอาศาสนาอย่างนี้เป็นต้นแต่ท้านคนที่มีศาสนาเนี่ยนบีสั่งห้ามไปหาหมอดูใครที่ไปหาหมอดูให้หมอทํานายทายทักอัลลอฮ์ไม่รับนมาฎกี่คืนกี่วันรู้ไหมสี่สิบวันบางคนมาอ้าวนะเมื่ออัลลอฮ์ไม่รับฉันไม่นมาดเลยอ้าวใครเราไม่นมาฎดูสิ บาปสองสองเท่าหนึ่งบาปที่ไปหาหมอดูสองบาปที่ไม่ทำธรรมาฏสองเด้งเลยหนักเพราะฉะนั้นต้องเรียนาศาสนาเยอะๆจะได้เห็นจะได้รู้ว่าโอ้ทำไมเอาล่ไม่ให้เราไปหาหมอดูทำไมไม่เชื่อหมอดูเพราะว่าหมอมันโกง ก, ก็หกทั้งหมดแล้ะรู้ได้ไงกันนี่ไงหัดีคของท่า น, นาอับดุลเอนไว้ประการที่สามวามาลิมลิตูรก เป็นเครื่องบอกทางเป็นเครื่องบอกทางนะเป็นสัญญาณเพื่อเป็นที่สังเกตในการเดินทางแสดงว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ให้แล้วเดินทางอย่าอยู่เฉยๆอย่านั่งอยู่กับบ้านเฉยๆให้ออกเดินทาง <c oughs> คนเดินทางกับคนไม่เดินทางเนี่ยคุ ย, คยนั่งคุยภัพบไม่รู้คนที่เดินทางเก่งๆเนี่ยฉลาด คนนี้ไม่ชอบเดินทางอยู่ยออยู่กับบ้านนี่นะไม่คุณชลาเขาหรอกภูเก็ตก็ไม่เคยไประยอง่ะไม่เคยไปอัลลอฮ์ที่นบีทําเป็นแบบไว้อ่ะนบีเดินทางจากมักกะตอนขึ้นอิสราเอเมอรอดเดืนอนนี้ขึ้นเดือนอิสราเอเมอรอดใช่ไหมนะ่ะเดินทางจากนาครมักกะไปที่นครนูนอ่ะบัดมักดิสเนี่ย ไปกลับคืนเดียวล้วขึ้นข้างบนอีกเข้าเฝ้า อ, อัลลอฮไปรับนามาตมาถามว่าเดินทางป่าเดินทางใช่ไหมะฉะนั้นมุสลิมต้องเดินทางไปหาเมียไกลๆบ้างก็ได้แล้วกรุกงเทพไปหาเชียงใหม่นู่นเพราะว่ามีคนหนู่คนหนึ่งมาส่งผมมาจาก New านิว World c ซิตี้เขาบอกเขามีภรรยาสองคนคนแรกคนกรุงเทพคนที่สองคนกระ บ, บี่ นี่จะหา ม, มาอีกคนอยู่มักกะหนวนโอ้ยทำอยู่ดีๆนี่เล่าให้ฟังนะมาชัยยุเล่าให้ฟังมีพี่น้องบางคนใช่ไหมเขาทําธุรกิจนีะอีกคนอยู่กรุงเทพอีกคนอยู่จังหวัดกรบีอีกคนจะนี่จะนี่นกล้าวใหม่เนะี่อยู่มักกะอืมจะได้ไปทําอุโมงค์ทุกปีใช่ไหมไปหาฤากีของอัลลอฮฺสุภาณ ห, า ห, าหาูอัตฮานะอันทำนี่เล่าให้ฟังเดินทางดีไหมดีคนไม่เดินทางอิหม่ามใช่ไหมพูดอย่างนี้ มัมชมนี้บอกว่าอิราซาเราป้อบะว่าอิลลามยาจะิลลมยาตีบีน้ําที่ไหลนี่นะมันจึงสะอาดนะถ้าน้ําไม่ไหลนะเป็นไงน้ําที่อยู่ในบอ่อเนี่ยเหม็นด้วยหอมเห <c oughs> ม็นคนก็เหมือนกันถ้าเดินทางบ่อยๆเนี่ยสะอาดความคิดความอ่านดีแล้วก็ถ้าอยู่กับบ้านไม่ไปไหนเลย อ, อยู่ก็สวนสวนสวนจนกระทั้ทงตาย ไม่ต่างอะไรกับแพะ์หลังอยู่นั้นแหละวไม่ก็เจริญเขาเท่าไรหรอกใช่ไหมฉะนั้นเดินทางดีที่สุดฝาซีรูฟิลอารดีฟังซูรุอลัลลอ์สั่งให้เนี่ยเดินทางแล้วก็ไปพิจารณาไปมองอะไรต่อะไรนี่พี่น้องเพออัลลอฮ์ให้หูให้ตาให้สติปัญญามาท่านคนยิ่งเดินทางยิ่งอลัลลอ์ให้ความรู้เยอะไปหมดเลยเอา้าวสังเกตนะครับอลัลลอ์ให้อะไรนะ ว่าลามาตินอลัลลอ์ให้เครื่องหมาย ต, า ต, าต่างเป็นที่สังเกตในการเดินทางนะครับว่าบินนจัจมีแล้วก็สร้างอะไรนะดวงดาวบนท้องฟ้าให้มองข้างล่างและสั่งให้มองข้างบนฮุมยาตะดูพวกเขาพบทางที่ถูกต้องก็หมายความว่าก็ไปไหนมาไหนมีเครื่องสังเกตตลอดเวลาใช่ไหมนะอย่างนี้มันจนอย่างไปต่างจังหวัดมันมีที่สังเกตนะ มีโน่นมีนี้มีนี่มานั่นให้เราสังเกตตลอดเวลานะครับต่อมาอายาที่17อัฟะมะอยาคลูกุกามัลลายาคลูกุอัฟะลาตะด ะ, ะกะรูนยาคลูกุแปลว่าผู้ทรงสร้างลายาคลูกุผู้ไม่สร้าง ผู้ที่สร้างกับผู้ที่ไม่สร้างอัลลอ์เป็นผู้สร้างใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยกับผู้ที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยถามว่าเหมือนกันไมอัฟฟาไมยักลูกูกะมัลลายักลุกูดังนั้นผู้สร้างผู้ทรงสร้างจะเสมือนจะเหมือนกับผู้ไม่สร้างกันนั่นหรือ คนที่สร้างกับคนที่ไม่สร้างเหมือนกันไหมต้องการจะให้เราคิดวันนี้อัลลอ์สร้างโลกแต่เพียงผู้เดียวแต่คนไม่กราบอัลลอ์เยอะไปหมดดูที่ประชากรในโลกนี้มีเจ0 0ล้านคนคนที่กราบอัลลอฮ์อย่างจริงมีประมาณ 2,500 ล้านอีกตั้งสี่พันน่ะไม่รู้จักอัลลอ์เลยใช่ไหมน่ะ นั้นอผู้ที่สร้างกับผู้ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้สร้างแม้แต่ขนตาตัวเองเนี่ยเท่ากันไหมเหมือนกันไหมให้เราสังเกตน่ะคนที่ทําอะไรกับคนที่ไม่ทําอะไรเลยคนที่เป็นผู้สร้างกับคนที่ไม่สร้างนะ่ะเหมือนกันไหมอฟาฟาลาตาจากรูสูเจ้ายัางไม่ใคร่ควรอีกหรืออืมไปนอกฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้อลัลลอฮ์สร้างมา แล้วก็เราไปกราบในสิ่งที่อัลลอฮไแม่ด้สร้างมาอย่างไปกราบอะไรนะหินอย่างว่านบูชารูปเจาเวตเนี่ยที่นบีอิบรอฮิมไปทำลายแล้วนะ่ะแล้วก็ถูกจับตัวได้แล้วก็โยนสายไฟมาแล้วเนะี่ยถามว่านบีพมปลอดภัยหรือว่าไม่ไม่ปลอดภัยปลอดภัยจากการไม่ให้ไฟไหม้อัลลอฮคุ้มครองคนที่ทำงานศาสนาของอัลลอด้วยความบริสุทธิ์ใจจะอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ลำบาก ถูกจับได้แล้วนะถูกโยนใส่ไฟนะรู้เปล่าจิบรินเนี่ยเล่าในมีฮะดิษบทหนึ่งจิบรินบอกว่ามีอยู่4ีรายการมีอยู่4ีคนที่อัลลอ์สั่งปั๊บทำปั๊บเลยสั่งปุ๊บปัมทำเลยนะี่นะมีอยู่4ีคนที่อัลลอ์สั่งคนที่หนึ่งนบีอิบรอฮิมตอนที่อัลลอ์ให้ไปเผยแผ่ศาสนา ไปทำลายรูปเจเวต์พอทำลายเสร็จแล้วเนี่ยคนเขาจับได้อะพอจับได้ก็ถูกจับโยนใส่ไฟอลัลลอฮ์สั่งญิบราฮว่านั่นอิบรอฮีมจะโยนใส่ไฟแล้วนะไปไปก็ไปรับมาไม่ให้จะรับอันตรายใดๆทั้งสิน้นแล้วอลัลลอฮ์ก็สั่งไฟอีกกูลนาฮุกูนีบา ร, รดันวาซาลามันอาลาอิบรอฮีมไฟเ อ, อย๋ยจงเย็น มัจเย็นทั้งทั่วโลกนะเย็นเฉพาะอิบราฮิมคนเดียวอาลาอิบรอฮิมเอ่ยชื่อด้วยไฟไม่ทําอันตรายกับนบีอิบราฮิมทําไมเพ่อเขาทํางานศาสนาของอัลลอฮ์นบียิบบรินนะ่ะลงมารับเลยรับนบีอิบราฮิมแบบไม่เป็นไรปลอดภยัยนั่นคนที่หนึ่งนะที่อัลลอฮ์คุมครองให้ยิบรีนมาดูแลคนที่สองใครรู้ไหมนายบีอิสมาอินลูกชายนาบีอิบรอฮิม ที่นบีอิบราฮีมฝันว่าเชื่อดลูกอะ่ะตอนนี้อิบราฮีมเอาเอ า, เอ า, เอ า, เอามีดเอามีดมาวางไว้ที่คอจะขยับอยู่แล้วเนี่ยอัลล์สั่งว่ายิบรีนรีบลงไปเลยอย่าให้มีดถุงถูกขอนบีอิสมาอินอะ่ะนี่ยิบรีนเล่าเองคนที่สองแล้วนะคนที่สามใครรู้ไหมนบียูซุฟยูซุฟอะลัยฮิสสลาม ที่พี่ๆเขาจับนบียูซุฟโลโยนใสบออ่บ่อเงียิบรยิบรินรีบลงไปถึงก้นบ่อดเดี๋ยวนี้ไปรองรับยูซุฟไม่ให้มีอันตรายไม่ให้จมน้ำยิบรินถึงเลยคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดสลายมุสลิมนบีมุฮัมมัดนี่แหละวันที่ท่านไปเผยแผ่าศาสนาที่เมืองตออิฟวันนั้นถูกแลยนะถูกชาวบ้านเนี่ยรังแกเอาเด็กหนุ่มๆอย่างพวกเธอนี่แหละ เอาหินมั่งไปคว้างใส่นบีมุฮัมมัดแล้วเลือดไหลอ่ะอัลลอฮ์บอกยิบรีนอย่าให้เลือดนบีมุฮัมมัดถูกแผ่นดินนะสักนิดนึงก็ไม่ได้นะเพราะถูกแผ่นดินแล้วต้นไม้ต่างๆพืชพันธุ์จะไม่เกิดอีกต่อไปก็ไปรองรับมุฮัมมัดไม่ให้เลือดเนี่ยถูกอะไรนะถูกพื้นแผ่นดินมีอยู่สีท่านด้วยกันยิบรีนเล่าบอกว่าอัลลอฮ์สร้งปั๊บทาปุ๊บเลยอย่างนี้เป็นต้น เห็นยังคนทํางานศาสนาทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮ์ดูแลเห็นยังวันนี้เหมือนกันบ้านเราก็ต้องดูแลให้ลูกหลานมีศาสนาอลัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองหมดคําว่าดูแลศาสนาดูแลกุรอานดูแลสุนนะนบีไอคนที่เรียนศาสนาคนที่เรียนกรุรอานอลัลลอฮ์ดูแลหมดเลยแต่ปัญหาเดือดร้อนมีไหมไอเก็บใช่ธรรมดาหนกะ็มีอย่างผมเมื่อคืนนตอนที่สองเป็นไข้อ่ะ ไม่เคยเป็นมาหลายเดือนแล้วเป็นไข้ก็นึกอยู่เอ้ยจะมาสอนตำเสถิรไหวหรึเปล่าพอทานยาห้ามเดรนละเงือออกหายห้ามเุรนละขอบคุณอัลลอฮฺฉะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยมันของธรรมดาอา้าวสรุปง่ายๆก็คือผู้ที่สร้างกับผู้ที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยเน่ะเหมือนกันไหมอัลลอฮฺกับสิ่งถูกสร้างเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องให้เกียรติใครให้เกียรติอัลลอฮฺเยอะๆเพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ สร้างนะครับอาฟาลาตาสการูณพวกท่านยังไม่ใช่ปัญญาอีกหรือให็นไหมเนี่ยทําไมไม่ไข้ครควนอีกหรือพอไข้ครควนปั๊บก็นึกถึงอัลลอฮ์ทันทีเลยนะนี่เนี่ยอามัตที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นะ่ยเยอะนะเราเคยสังเกตไหมเนี่ยผมเราเนี่ยคิ้วนี่เราสร้างบ้างหรือเปล่าเคยทําอะไรบ้างเนี่ยเค ย, เคยสร้างสักเส้นหนึ่งไหม ดูแล้วไม่ให้งออย่างเดียวก็แย่ yeah, แล้วอโลขนาดขนาดอโลให้มาดำนี่นะแค่ขาวเนี่ยยังปวดหัวเนี่ยไม่มีความสามารถเลยมนุษย์เนี่ยต้องไปเอาอะไรมาใส่นูนใส่นี้มันยังก็ไม่พอขนาดกินอะไรนยาดีคอนเจนไม่ให้ไม่ให้ตีนกาขึ้นเนี่ยยังเหนื่อยอะ่ะนไมองนี้เป็นตน้นเหนื่อยครับ ฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาสร้างใจเพียงผู้เดียวรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวผมนี่อ่านพบซัลมานฟารีซีเล่าเล่านะเล่านะซัลมานฟารีซีเนี่ยเป็นซอฮาบ้านะบีอยู่สมัยกับท่านนะบีสุลัยนวบสัลลัมไปอ่านคุรานเขาอ่านคุรานเขาเข้าใจไหนพี่น้อง إ ي م านเขาพื้นหวัวขึ้นเปลือกขึ้นอย่างนี้เลยนะไปอ่านอายะไหนรู้ไหม วกูอัมฟุสะกุมวะอัลลิกุมนรอแปลว่าอะไรอัลลอฮสั่งว่าจงดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องดูแลใครนะภรรยาและลูกๆของท่านให้ดีอย่าให้ตกนรกวกูดูฮันน้าสวรรณใหเจ้ารอเชื่อเพลิงของไฟนรกนะ่ะมนุษย์กับหินเขาก็ จินตนาการอัลลอฮ์มนุษย์กับหินนี่เป็นเชื้อเพลิงของนรกวันนี้เชื้อเพลิงของไฟอะไรฟืนใช่ไหมน้ํามันเชื้อเพลิงแต่วันเกียยมาอัลลอฮ์กลับตรรกะใหม่นะให้เชื้อเพลิงนั่นลุกไหมอย่างดีก็คือคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยเนื้อหนังที่ไม่เอาศาสนานี่แหละจะเป็นเชื้อเพลิงที่อร่อยที่สุดแล้วก็อะไรนะ หินรูปเจเวตที่เขาบูชานั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายที่สุดปุ๊บทันทีเลยอ่ะคนไม่เอาศาสนาเนี่ยเอาหลอไฟมาลามเลยพรืดวันนี้ไม่ใช่น้ำมันใช่ไหมเชื้อเพลิงท่านซัลมาณฟาริซีเนี่ยพอได้ยินอายานีน่ะหายหน้าไปสามวันเลยนี่ตการจะเล่าให้ฟังว่าคนที่มีศาสนาเน่เขากลัวหายหน้าไปสามวัน นบีก็บอกลองไปตามซันมานฟาดิซีมาสินี่ไม่มามสามวันสี่วันแล้วก็ไปเช็คไปตามดูนู่นนไปอยู่ที่เชิงเขานะ่ะไปนั่งร้องไห้อยู่ก็ไปตามมหาทัานนาบีถามว่าร้องไห้ทําไมซัลมานฉันกลัวอาญานี้เห็นไหมกลัวอาญานี ว่าูอัมฟุสะคุมว่อาฮลิุมนรกว่าูดูฮันนาสุวัลฮิจารหเหไม่เป็นอ๋นบีบอกว่าโอโลสัลมาณฟาติซีคุณน่ะสวรรค์ต้องการไม่ใช่นรกต้องการตัวสวรรค์เนี่ยต้องการคุณเพราะคุณเป็นคนที่อะไรใช่ไหมเป็นคนที่ร้องให้สวรรค์ต้องการที่นรกต้องการก็คือคนที่ ไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์และนอนหลับตลอดคนประเภทนี้ต่างหากที่นรกต้องการคนที่ไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์แล้วก็ชอบนอนนอนนอนนอนสุโบก็นอนอะไรก็นอนนอนทั้งวันคนประเภทนี้ต่างหากที่นรกต้องการอยัางอยู่คนอย่างคุณเนี่ยใครต้องการนะสวรรค์ต้องการให้ไปอยู่ในสวนสวรรค์อ้าวอีกคนหนึ่ง สวรรค์ต้องการนะใครรู้ไหมนลลทนาบิลลันทนาบิลลันทำอะไรสวรรค์ต้องการให้ไปอยู่ในสวรรค์มากๆชอบนมาศหลังจากอะไรนะอาบน้นํานมาศเสร็จแล้วเนี่ยจะนนมาซูนัตสองเรกาก็อัดทุกครั้งเห็นไหมทวัดงา น, านงานใหญ่หรืองานเล็กก็งานธรรมดางานนมาศสองเรกาก็อัดเนี่ยแต่ใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์เยอะๆนะี่ยไปนองเห็นยังสวรรค์ต้องการคนประเภทนี้ การคนที่นมาถ้าเวลาสวรรค์ต้องการหมดไอคนที่นอนไม่รู้เรื่องท่างหากหละใครๆต้องการนะนรกต้องการคนเหล่านี้ไปอยู่กับมันในนรกเราก็ต้องดูแลลูกหลานของเราให้ดีนะอย่าให้เป็นเช้านารกจะให้เป็นชาวสวรรค์ดีกว่าเอาต่อมาอายาที่สิบแปดว่อินเตอร์ดูเนอยมาตัลลอฮิละตุฮซูฮะ อายา น, นี้ต้องการจะให้เรานึกถึงความโปรดปานของอัลลอฮ์เยอะๆอย่างที่ผ่านมาสี่หรายการตะกี้ใช่ไหมนั่นคือความโปรดปานทั้งหมดสร้างอะไรนะสร้างภูเขาสร้างแม่นม้ําสร้างถนนเรามีที่สังเกตไปไหนมาไหนมีที่สังเกตเต็มไปหมดอย่างไปประเทศอินเดียน่ยที่กัลกัตตานมีสะพานฮาวราฮาวรา สะพานฮาวรานี่ไม่มีเสาเลยนะมีแต่ข้างบนหมดเลยเสาไม่มีมีแตข่ข้างบนข้างบนทางคุณเฉลิมนี่มีแต่เสาข้างบนหมดเลยเสาข้างล่างไม่มีอ่ะอย่างไปที่ดูไบเนี่ยมีตึกสูงที่สุดใช่ไหมนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นเอาไปถึงมักการมีกะบะใช่ไหมเป็นเครื่องเป็นอลาละมัตทั้งหมดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้ทั้งหมดนะ่ะมาที่มา ด, มาดูว่าอินตาอุดูเนี่อัลลอฮ์เล่าใ น, นกับอลกรุรอานว่า ถ้าหากท่านทั้งหลายจะนับหนึ่งสองสามสี่นับไปเถอะเนียมาตลอนับเนียมัดของอัลลอ์ถ้าว่านับท่วนไหมละตัวสูฮาสูเจ้าจะไม่สามารถนับเนียมัดให้ท่วนได้ให้ครบได้เห็นอย่าง นี่ใครคุยอลัลลอ์เล่าเองนะเนื้อธมัดที่อลัลลอ์ประทานให้กับมนุษย์นั่นเยอะมากไม่สามารถที่จะนับมันได้ให้ครบอัลลอฮฺอักบารยิ่งใหญ่อาวันนี้พวกเราถูกหลอกไม่ให้นึกเนื้อธตของอลัลลอ์ชอบฟังเพลงกันรนะวังให้ดีคนที่ฟังเพลงนี่นะจะไม่นึกถึงอลัลลอ์เลยคนที่ ใจนาะฟังเพลงแล้วก็เล่นดนตรีเนี่ยนะหัวใจมันจะเป็นโมนาฟิกน บ, บีอธิบายอย่างนี้ต้องการจะให้ต้นไม้เนี่ยงอกต้องมีปุ๋ยปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือน้ำน้ำเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดเช่คนที่มีต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้ลองไม่ให้น้ำ ม, มันสิตายฉะนั้น ต้นไม้ปุ๋ยของต้นไม้ก็คือน้ําปุ๋ยของมมนาฟิกคนที่หัวใจกลับกลอกเนี่ยนะต้องนึกตลอดเวลานะหัวใจจะกลับกลอกหัวใจจะเป็นมมนาฟิกได้เนี่ยต้องใส่ปุ๋ยและปุ๋ยของมมนาฟิกที่เกิดขึ้นในหัวใจก็คือฟังเสียงเพลงกับฟังดนตรีนี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเนี่ยมาจากยูนิเซียเชื่ออะไรนะเลดี้ กาคาเขามาทําอะไรกันน่ะมาทําอะไรมาร้องเพลงไม่ใช่เหรอเฉลิมใช่ไหมดูสิอินพ็อมาจากนู่นน่ะเล่นที่บ้านตัวเองไม่ได้เพราะมุสลิมเขาไม่เอามันเล่นในเมืองไทยเพราะพอๆกันอา้าวเราไม่ต้องหนีพวกเราวเนะี้แต่พวกเราไม่เอาศาสนาชอบฉะนั้นคนไม่เอาศาสนาไปตรงไหนก็ได้สาววันอาทิตย์เนี่ยพวกมาเลเซียห น, นีมาอยู่หาดใหญ่กันหมดเพราะอะไรเพราะที่นั่นไม่เอาศาสนา จะได้มาทำศีนากันกินเหล้ากันใช่ไหมที่หัดใหญ่เต็มไปหมดนะ่ะนานๆมีระเบอร์ทีงไ ล, ล่ผมเราเสียกลับไปทีนึงเอาต่อมากับวอินตาอุดูทหารท่านทั้งหลายนับเนี้อมัดของอัลลอฮ์นับทวนหรือไม่ทวนลาตัวสูฮานับไม่ทวนใครใครเล่ากันอัลลอฮ์เล่าเองอินน e ัลลอฮ์ละฟูรุลราะฮม แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยรู้ไหมอัลลาอฮ์อภัยเนี่ยคนประเภทไหนครับก็คือคนที่ทำความผิดแล้วเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยจะโทษให้อลลองไม่เตาบ้าตัวแล้วตายลองดูสิอะไรม่เกิดขึ้นอาราบการทรมานที่กูโบโมีเต็มไปหมด อย่าลืมนะมแมลงปล่องบนดุนยากับมแมลงปล่องใต้ดินต่างกันนะมแมลงปล่องบนดุนยานี่มาตัวเดียวแต่มแมลงปล่องใต้ดินมาเป็นล้านมาเล่นงานคนอยู่ในกุโบน่ะมันไม่ตายกัดเท่าไหร่มันก็ไม่ตายฉะต้องนึกนึกถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นเตาบาตัวต่ออัลลอฮ์ซะก่อนตายถึงอัลลอฮ์จะอะไรนะก่อฟูรุนอัลลอฮ์จะอภัยยาโทษวันนี้อิหมามอ่านเนี่ย บีมาโวาฟรารอลีร็อบบีว่าจะเลานี้มิณัลมุครามีนไหมมามอ่านวันเนี้ยตอนสุบวันเนี้ยมันก็ผ่านมันก็นึกบีมากวาฟรารอลีร็อบบีนี่คนตายเล่าให้ฟังอัลล์เล่าว่าคนตายเนี่ยคนที่มีศาสนาตายเนะี่ยเป็นไงพูดที่กูโบบอกว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันไม่เอาโทษฉันเลย บีมาโกฟรารอลีโรบบีอัลลอฮ์ยกโทษฉันไม่เอาโทษฉันว่าจะอ่านนี้แล้วก็ทำฉันมีนั่นมุคฮร์มินเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติยกย่องจากอัลลอ์คนตายเล่าให้ฟังช่วยมาบอกคนเป็นๆ น, นอนไปว่าเอาศาสนาเธอแล้วคุณจะนอนตายสบายเนี่ยผู้เราที่อ่านสุรยาซีนน่ะนะยาซินใช่ไหม ไม่เคยได้แปลกันน่ะอ่านกินบุญอย่างเดียวหาสตังและเป็นไงน่ะทาบาปกันเต็มไปหมดแล้วพ่อได้พ่ออ่านคุณอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมถ้าอ่านรู้เรื่องบ้างอาลัลลอฮ์จะได้กลัวอลัลลอฮ์สุภานะอานาอูตะอานละนี่ไม่ได้ตำหนิใครได้ตัวนี้ตัวเองนะครับตัวนองว่าถ้าต้องการจะให้อลัลลอฮ์กอฟูรุนรอให้มุนต้องอะไรนะต้องเตาบ้าตัวต่ออลัลลอฮ์ถ้าไม่เตาบ้าไม่สําเร็จครับ ฉะนั้นเรื่องใหญ่เรื่องความผิดที่ร้ายแรงที่สุดก็คือชิริกเรื่องไปหาหมอดูไปหาโตตะเกียไปหาโตะระยองนี่พี่น้องที่ตตะเกียนะ่เคืองพวกเรานะี่ยชอบพูดโตตะเกียเรื่องเกินไอไปได้จะอย่าไปขอสิพี่น้องไปขอจากคนล่ายักษ์ลุกไม่ได้สร้างอะไรเลยสักนิดนึง และไปขอทำไมจากคนทําไมไม่ขอจากผู้ที่สร้างตัวสิ่งทุกอย่างก็คืออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาเขาสอนให้คิดสอนให้เตือนเราไม่ได้เป็นอคติกับคนเหล่านั้นนะครับเราอคติกับคนที่ไม่เอาศาสนะออาอาาัลลอฮฺย่าละมุมาตุซิ ร, รุนาวะมาตุลินุัลลอฮฺย่าละมุ ตรงนี้ต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้คําว่ารู้ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์อยู่นะอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้ ท, ท, ทั้งๆที่อัลลอฮ์อยู่บนบาลังของอัลลอฮ์อยู่บนอาราชเนี่ยนบีขึ้นเมีอัลลอชไปเนี่ยนะไปรับนามานเนี่ยอยู่ห่างกับอัลลอฮ์แค่แค่เนี้ยแค่อะไรนะไอ้คันธนูอ่ะคันธนูใช่ไหมลนะ่ะจากซ้ายก็ขวาเนี่ย หากแค่แค่นี้จะได้ยินเสียงเลยคําสั่งแต่ไม่เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เห็นนแต่จะเห็นอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์ดังนั้นคนที่เข้าสวนสวรรค์จะเห็นพระพาของอัลลอฮ์เห็นใบหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอสวยมากเห็นแล้วปื้มใจลืมหมดเลยท ส, สิ่งทักอย่างบนโลกใบนี้ลืมหมดจะโศกมีความอิ่มเอิบตลอดเวลาอยากเห็นหน้าอัลลอฮ์ไหมอยากไหม เราเป็นคนดีแล้วเข้าสวรรค์ก่อนนะวะลอหุย่าลมอัลลอฮ์ทรงรู้มาตุซิรูนที่สู่เจ้าปิดบังที่เราอยู่ในใจเราวันนี้อะไรที่เราไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนะอัลลอฮ์รู้แล้วก็อัลลอฮ์ก็รู้ว่าแผนการของเราจะทําอะไรเย็นนี้ผูงนี้อัลลอฮ์รู้หมดว่ามาตุอาลีนูและที่สู่เจ้าเปิดเผยอัลลอฮ์รู้หมดเลย หน้าที่เราก็คือทํางานศาสนาเรียนศาสนาแล้วก็เอาศาสนาไปบอกใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่มีปัญหาเราสอนลูกเราใช่ไหมลูกเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็ต้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์บบ نا, ย่าอัลลอฮ์ฮาบบานามินอาจูาจินาวาซุรียาตินากุรอต้าอายุนวาจาลนาลิลมุดตะกีนอิมามาต้องขออุทิต่ออัลลอฮ์ แล้วก็ต้องอบรมเราอบรมลูกของเราภรรยาเราให้มีศาสนาอาจารย์ซีดีก็ต้องอบรมนักเรียนให้มีศาสนาต้องอบรมมันตลอดเวลาเพราอชายตอนเนี่ยรู้เปล่าชายตอนพูดอย่างงี้นะท่านสไนดได้รายงานบอกว่าท่านนาบีพูดอย่างนี้อินน์ชายตอนชายตอนมันพูดอย่างงี้นะว่าอิสซาตูกะด้วยเกียรติของอัลลอฮฺ เกียรติอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะโอ้รบฉันเนี่ยจะไม่เลิกที่จะหลอกลวงเบาของท่านตราบใดที่วิญญาณรู้ว ح, มาจึงวิญญาณอยู่ในร่างของเขาตราบใดที่วิญญาณอยู่ในร่างของเขาฉันจะหลอกลวงทุกวันทุกนาทีนี่ภาษาของใครของชัยตอนใครเล่าให้เราฟังนบีมุฮัมมัดเล่าให้ฟัง ของยานบีพูดจริงหรือก็หกจริงหมดนบีเล่าเองบอกว่าชายตอนมันพูดเองบรรยยอกว่าฉันจะมีมีหน้าที่หลอกล่อเบาของพระอรหันต์เบาวของพระองค์ทุกคนตราบใดที่วิญญาณอยู่ในร่างของเขาแต่ว่าบบคนตายมันไม่หลอกมันหลอกคนอะไรนะมันหลอกคนเป็นคนจนมันก็หลอกคนรวยก็หลอกใช่ไหมคนดําก็หลอกคนขาวก็หลอกใช่ไหม คนไม่มีาศาสนามันก็หลอกคนมีศาสนามันก็หลอกโต๊ะอิหมั่มันก็หลอกห ล, ล, ลอกทุกคนเลยผู้หญิงมันก็หลอกหลอกหมดกอลารอบเบออัลละก็ตัดบอกว่าวาอิสตาตีวาจาลาลีด้วยเกียรติของฉันด้วยความยิ่งใหญ่ของฉันนี่นะลาอาซาลูอักฟิรอลาฮุมฉันนี่นะจะอภัยโทษให้กับบาวของฉันทุกคน ตาบได้ที่เบาของฉันต้องพูดคำนี้ด้วยนะถึงอลรอาจอภัยโทษให้อัสตักฟิรุลลอชัยตอนนี่นะมันล่อลวงเลยตลอดเวลาแต่อรอบอกว่าฉันจะอภัยโทษนะไม่ให้เบาของฉันนะตามชัยตอนแต่มีมีข้อแม้อยู่นิดนึงเบาของฉันต้องว่าคำนี้อะไรนะอัสตักฟิรุลลอาลองว่าสิ อัสตักฟิรุลลอฮแปลว่าอะไรนะฉันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮฺเราได้ถูกบังคับให้ว่าหลังนมาศใช่ไหมอัสตักฟิรุลลอฮอัสตักฟิรุลลอฮอัสตัฟิรุลลอฮสามครั้งท่านคนที่นมาศห้าเวลาก็อ่านอย่างเนี้ยทุกวันกี่ครั้งนะอโลอักบัดสามห้าสิบห้าสิบห้าครั้งใช่ไหมทีนี้นอกนมาศแลลวต้องพูดไหมยก็ต้องพูด อัสตัฟิรุลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺฉันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮฺและก็ความผิดของเราที่มีอยู่อัลลอฮฺจะอภัยโทษให้มีเครื่องหมายมีข้อแม้ถ้าไม่พูดคํานี้อัลลอฮฺให้ไหมไม่ให้ใครสอนในีได้ฟังครับนบีมุฮัมมัดท่านอิหมามติดอิหมามอห h m a d ได้รายงานหะ ด, ดีสนี้มาได้บันทึกหะ ด, ดีสนี้มาเอาต่อมาครับอายาที่ยี่สิบเอ็ดอัมวะฮะ อ๋อว่าที่นัูนละบดาผู้ที่วันร้ายนั้นละดาผู้ที่วิงวอนขอมินดูนิลลอื่นจากอัลลอ ไปขอจากโต๊ะระยองไปขอจากหมอดูไปขอจากโต๊ะตะเกียร์ไปขอจากคนที่ตายไปแล้วลายัคหลูกูนะใช้อันอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนะพวกกล่าวนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยลายัคหลูกูนะใช้อันสิ่งที่วูเขาบูชาสิ่งที่ภูเข า, ข, าขอเนี่ยนะ สิ่งเหล่านั้นไม่มีความสามารถสร้างอะไรได้เลยไปขอทําไมต้องการจะถามว่าไปขอทําไมในสิ่งเหล่านั้นไปเชื่อทําไมอ้าวอย่างต่อยอดทำมาไว้ก็ไปเชื่อต่อยอดไปเชื่อต่อเซะอ่ะอย่างต่อยอดเราเนี่ไปอ่านคุณอ่านในกูโบโยกตัวอย่างเขาทำไปมาตั้งร้อยปีแล้ว ของทีนบีสอนที่มาจากอัลลอ์เนี่ยเราไม่เชื่อความจริงไปกูโบน่ะไป้สามรายการตอนนั้นแหละหนึ่งไปให้สลามกับเช้ากูโบรสลามว่าไง assalamualaikum warahmatullahi น a b a r a k a t u h นี่ไปกูโบนตองอันดูอาบนนี้ อันที่สองไปรำลึกถึงความตายสองข้อแล้วข้อที่สไปขอดุอาไปให้สลามก็ขอดุอาไม่เหมือนกันนะไปขออุดมกับคนที่เรารักไปยืนที่กูโบของคนที่เรารักเกิดมาเราย่อเราไปแค่สามรายการแต่ห้ามอ่านกุรอานใ น, ใ น, ใ, นในกุโบถ้าเราไปเชื่อตัวย่อเราเนี่ยอายา น, นี้เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณไปเชื่อในสิ่งที่เขาไม่ได มันจะมาจากอัลลอฮ์และราซูไปเชื่อทำไมอย่างนี้เป็นต้นท่านคนที่อ่านกุงอ่านอายา น, นี้ต้องนึกตลอดเวลาเราจะไม่เชื่อสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นมาจากอัลลอ์แล้วก็อัลลอ์ให้นบีมุฮัมมัดมาสาธิตมาอธิบายและปฏิบัติตามนาบีถึงอัลลอ์จะพอใจนะเอาต่อมาอายาที่ยี่สบอ็อัมวาตุนไรูอัฮียะ อัมวาดเป็นอะไรนะตายเจวเวิเหล่านี้สิ่งที่เขาบูชาเนี่ยเอาบูชาโตตะเกียบบูชาโตะระยองบูบูชาหมอดูเชื่อเชื่อของที่ของที่เป็นอะไรนะเป็นชริกทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันตายรวมมาถึงนบีอิซาคนที่เชื่อยินด้วยเชื่อผีด้วยเชื่อชายตอนด้วยสิ่งเหล่านี้อัมวาดตาย แล้วก็ร้อยรูอหายะไม่มีชีวิตสิ่งเหล่านี้คำว่าตายแปลว่าให้ประโยชน์อะไรไม่ได้ผละบุญก็ให้ไม่ได้ความทุกข์ก็ให้ไม่ได้เอาเชือกมาผูกที่ข้อมือเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยได้ช่วยได้ไหมเชือกผูกที่พอข้อมือช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ ถ้าจะช่วยได้ก็คือดูงอาที่เราขอจากอัลลอสุบฮานหูวะตาแล้วเท่านั้นอัมวาตตายตายมาถึงแข็งเป็นของแข็งเป็นของที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีวิญญาณมองก็ไม่เห็นพูดก็ไม่ได้วามายาชอรูนแต่พวกเขาไม่รู้ไม่รู้สึก อายยนายุบาซูนเมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นตัวเองก็ไม่รู้ที่เราไปบูชาเนี่ยบูชาโตตะเกียรอย่างเงี้ยโตกตะเกียรเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกให้ฟื้นขึ้นเมื่อไรแต่ก็ไปกราบทําไมไปขอทําไมไปหาโตระยองทําไมเพราะโตระยองเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะให้ถูกให้ฟื้นขึ้นเมื่อไหรในวันเกียร์มาเนะ่ะอย่างนี้เป็นตน้นท่านอย่าไปขอในสิ่งเหล่านี้อย่าไปบนบานกับสิ่งเหล่านี้ อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับอายาที่ยี่สิอิลลฮูกุมอิลลฮูวาหิดพระเจ้าของสู่เจ้าคืออิลลฮุนวาหิดุนคืออัลลอฮ์องคเดียวสบายใจมากอัลลอฮ์มีองคเดียวสบายไหมสบายอัลลอฮฺอักบาร อัลลอฮ์มีองค์เดียวทุกคนจะอยู่กับอ AH. ัลลอฮ์ผู้คนจะพบอัลลอฮ์จะเห็น ALL AH. ALL AH. อัลลอฮ์อัลลอฮ์มีองค์เดียวเอาทีนี้คนที่ไม่เชื่อวันอาคีรอและไม่เชื่ออ AH นะัลลอฮ์จะเป็นยังไงอัลลอฮ์ลงโทษเลยฟัลลาีนาลายุมีนูนับิลอาคีรอแท้จริงผู้ที่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อในโลกอาคีรอ บอว่านผมไปอบรมอัลลอฮ์ที่นิวออร์ลีิตี้ให้ให้หัวข้อพูดเรื่องวันกิยามาพูดทำดีแล้วคนเข้าใจนะคือคนถ้าเชื่อวันอาคีรอแล้วทุกอย่างมันดีหมดเลยอะ่ะวันนี้เราต้องนึกภาพโลกอาคีระนั่งอยู่บนมัสยิด นั่งอยู่บนโลกดุนยาใบนีหัวใจต้องนึกภาพของโลกอาคิรอะบ่อยๆคำว่าอาคิรอะเนี่ยตั้งแต่ชีวิตอยู่ในกูโบนะต้องนึกอา้าวนึกยังไงนึกอย่างงี้ตอนอยู่ในกูโบเนี่ยอลัลจะถามเรากี่ข้อนะสอบเรากี่ข้อนะสามข้อเป็นข้อสอบที่รั่วออกมาแล้ว รั่วยังรั่วแล้วนักเรียนนักศึกษาชอบบนลัข้อสอบรั่วเนี่ยก็ได้ไปเขียนถูกนี่อัลลอฮ์เล่าว่าฉันให้ข้อสอบรั่วมาแล้วนะว่าฉันจะสอบพวกเธอเสามข้อสอบว่าใไงมารอบบูกะใครเป็นแระผู้อภิบาลของท่านมันนบีอยู่กะใครเป็นนบีของท่านมันอิมามูกะใครเป็นอิห ม, ม่ามคำว่าอิห ม, ม่ามไม่ใช่อิห ม, ม่ามมัสยิดนะมาถึงกุณอ่านที่เราถือกันอยู่เนี่ยหละคืออิห ม, ม่าม เธออ่นอานคัรอ่านเป่ารู้จักอัลลอฮ์ป่ารู้จักสุนนน บ, บีเป่าสามเรื่องอย่างอื่นไม่ได้ถามเป็นข้อสอบที่รั่วออกมาแล้วท่านต้องระวังให้ดีท่านต้อ ง, ต, องต้องนึกเนี่ยท่า น, นึกภาพนี้เนี่ยนะทำอยู่เลยแล้วก็จะภาพเตียามาแล้วก็นึกภาพมาแมลงป่องนึกภาพอะไรนะตะขาบที่ฟัตเราอยู่ในกูโบโถ้า น, นึกภาพนี้นะจะทําให้เรา ท, ำทํำจะของดีๆเอ้า นึกภาพในวันเกียม์มาหลังจกฟื้นขึ้นมาแล้วดวงอาทิตย์หา่างจากศรีรษะเท่าไรหนึ่งเท่าไรหนึ่งไมล์อ่าภาพภาพที่สองเหงื่อบางคนถึงตาต่มเหงื่อบางคนถึงเอวเหงื่อบางคนถึงหน้าอกเหงื่อบางคนถึงคอนึกภาพนี้เราก็นึกภาพอีกภาพหนึ่งวิ่งหานาบี วิ่งหา ن บีไปขอชะฟาขอให้นบีช่วยยกตัวอย่างเราไปหานาบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮิมอยู่เชียงใหม่ยกตัวอย่างถ้าบาังเอิญแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินทุ่งม้าชัดแล้วก็เงือเรามาถึงคอนะ่ะแล้ววันหนึ่งของอัลลอฮ์นึกอีกภาพหนึ่งห้ามืนปีอีกอายาหนึ่งพันปีนึกสองอาย่า น, นี้แหละ ห้ามืนปีกับพันปีเอาพี่น้องพี่น้องต้องการจะไปหานาบดอิบรอฮีมให้ช่วยอิฟาะให้ฉันเข้าสวรรค์นเนี่ยกว่าจะไปเจอนบีมลไอิมเนี่ยบางทีนึกไม่ออกจะไปหาใครก่อนดีนะกับคนไม่เอาศาสนาไปหานาบีอิบรอฮีมท่านอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เราเหงื่อถึงคอเนี่ยเดินลุยน้ำไปนะกว่าจะถึงกี่วันนึกภาพดุนดุยาก่อนแล้วกันเนี่ย แอรเอเชียไม่มีนะไทยอินเตอร์ไม่มีนะรถไฟไม่มีนะเดินไปกว่าจะไปถึงไปเจอนบีอิบรอฮิมอิบรอฮิมจากซาฟ่าฉันหน่อยนบีว่าคุณมาผิดตัวแล้วฉันเองก็มีปัญหาเยอะไปหานาบีอีซาไปนบีอีซาอยู่จังหวัดตราดนะโอโ้จากเชียงใหม่มาจังหวัดตราดอีกแล้วก็น้ำแค่คอเดินลุยน้ำมา มาเจอน บ, บีอีสาหคุณมาผิดตัวแล้วคุณไปหาน บ, บีมอฮัมหมัดน บ, บีอยู่ภูกเก็ตต้องลุยหน้ามาจากอโหร์ไหมนึกภาพตรงนี้มันจะได้ทาความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะได้เลิกทําความชั่วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนึกภาพอาคีรอเยอะๆดีรเรื่อยๆดีครับฉะนั้นนึกถึงความตายนึกถึงภาพโลกอาคีรอเราจะทําความดีด้วยความตบอิ่มอิ่มเอิบใจนะ ทีนี้คนที่ไม่เชื่อโลกอาคริโอนเป็นไงกูล uh um, ูบูหุมมุงกิระหัวใจของพวกเขาเนี่ยมุงกิร์แปลว่าปฏิเสธหัวใจไม่รับรู้นี่จะเล่าเรื่องอะไรเนื้อแค่แค่แค่แค่หน้าอกมันนึกภาพไม่ออกอไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันใช่ไกูลูบูหุมมังม uh um, ุงกิร์ วะฮุมมุสตักบิรูและพวกเขาหญิงพยองที่จะรับความจริงนี่อุตสาอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วแต่ใจมันไม่รับนี่คนเหล่านี้มันต้องถูกโยนถูกเล่นงานถูกอาสาถูกบละบนดุนยาจะต้สํสำนึกตัวต่ออัลลอสุภาณูาอลาลแต่ไม่ถูกไม่รู้อนี้เป็นต้นเอาอายาสุดท้าย ลาจารามอัลลอฮฺโดยไม่ต้องสงสัยจารามาเนี่ยแปลว่าจริงจรลาจารมแปลว่าจริง ๆ, งๆโดยไม่ต้องสงสัยเกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องจริงภาษาอุดูว่าทีก่กิบาทแท้ใช่แล้วเป็นเรื่องถูกต้องแล้วอันลลอฮฺยะลามูอัลลอฮฺผู้ทรงรู้ ที่พวกเขาอยู่ซิรูนที่พวกเขาปิดบังที่อยู่ในใจของพวกเราทั้งหมดเนี่อลัลลอฮ์รู้ใครวางแผนจะเล่นงานอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์รู้อลัลลอฮ์คนที่วางแผนเล่นงานนาบีมุฮัมมัดเนี่ยอลัลลอฮ์รู้ไหมรู้แ ล, ล้วอัลลอฮ์ให้นบีเดินทางก่อนอพยพจากนครมกักกะไปก่อนเพราะอะไรเพราะอลัลลอฮ์รู้ไง รวมไปถึงอาบบาสลุงของนบีมุฮัมมัดเองรับอิสลามรับๆพราะกลัวชาวบ้านจะเล่นงานโอ้โหอิสลามเนี่ยอิทธิพลเยอะเหลือเกินนะจะรับอิสลามเนี่ยหรือจะรับซุนน่าเนี่ยก็ต้องมองซ้าย ม, มองขวาเหมือนกันนะคนอยู่ในบุรีบ้านจะรับซุนน่ า, าต้องมองอวบายังไงเตว่ายยังไงใช่ไหมต้องมองซ้ายมองขวาเหมนะือนกันท่านอาบบาสจะรับอิสลามนี่ ก็กลัวชาวบ้านเพราะว่าเขามีอาชีพอย่างนี้อาบบาสเนี่ยเก็บดอกเบีย้ยอาชีพก็คือออกเงินกู้แล้วก็ต้องเก็บทุกวันเดินเก็บทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันถ้ารู้ว่ารับอิสลามเนี่ยเพื่อนชักดาบหมดเลยอะ่ะสาเหตุที่อาบบาสลุงนบีรับอิสลามเพราะเป็นอย่างนี้วันที่ไปออกสงครามสงครามแรกนะ ที่นบีกับมุสลิมเนี่ยมุสลิมคนกาเฟตทําสงครามกันเนี่ยอับบาสนี่เป็นมหาเศรษฐีเป็นคนรวยคนหนึ่งอะ่ะเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนทําสงครามกับนบีมุฮัมมัดแล้วก็เอาเงินบางส่วนนั่นฝากภรรยาไว้ตอนจะออกสงครามบอกเธอเก็บเงินนี่ไว้นะบางส่วนอับบาสก็เอาออกไปเพื่อไปทําสงครามไปเล่นงานกับท่านนบี ภายประทามสงครามวันนั้นนบีชนะจับพวกนี้เป็นเฉลยศึกหมดเลยพอจับเสร็จแล้วอับบาสก็ถูกจับด้วยก็มาหานาบีเข้าเฝ้านาบีทีละคนละคนละคนเพราะต้องเสียครนะค่าสวยจ่ายเงินนบีเริ่มเริ่มเริ่มจะมีสตังแล้วสิวันนั้นซอบานาบีเริ่ ม, เ ร, มเริ่มรวยแล้วเพราะคนที่ถูกจัาก็ต้องจ่ายสตังหมดอับบาส พอนำมาหาท่านนาบีบอกหลานเอ้ยเงินลุงหมดแลว้วเอามาเนี่ลงทุนซื้ออาวุธเล่นงานกับหลานน่ะแล้วถูกแพ้ด้วยถูกจับด้วยเงินไม่มีนบีบอกว่าแล้วก็เงินที่ฝากกับภรรยาไว้ที่บ้านนะรู้ได้ไงวะอลัลลอฮ์เล่าให้ฉันฟังอ่ะอลัลลอฮ์เล่าให้ฉันฟังบวเงินที่ฝากภรรยาไว้แล้วก็ท่านพูดกับภรรยาว่ายังไงฉันรู้หมดแลว้ว เฮ้ยมัวมัดเงียบเงียบเยเงียบเเงียบไว้เงียบไว้ฉันรับอิสลามแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกให้ชาวบ้านรู้นะเพราะฉันมีอาชีพเก็บดอกเบี้ยเห็นไหมถามว่าอัลลอฮฺรู้หมดจะดันใครที่วางแผนเล่นงานอิสลามไปน้องมาต้องไปหัวงนะอัลลอฮฺรู้หมดแต่นี้พวกเราวันนี้เองพวกเราไม่ทํางานศาสนาอย่างเนี้มุสลิมในอาหรับนี่นะ ถ้าเอาส่งออกอิสลามนะอย่างเดียวนะอิสลามจะเจริญแต่ที่เราไปเดินตามยนนโยบายของใครของยัูดีเดดเดลี่อเลดีด ก, ากากาเนี่ยเดินตามนโยบายใครยัูดีเห็นส่งออกเพลงทาไปได้ใครมาส่งออกอิสลามอ่ะส่งออกอิสลามอ่ะตายตายชาหิดอัลลอฮ์บอว่าถ้าชนะ จิตสับได้หมดเลยถ้าตายตายชัยต้างนั้นทำงานอิสลามดีกว่าโอกาสที่จะส ง, ง่างามสูงกว่าคนที่ทำงานต่อต้านอิสลามนะครับอต่อมาครับละจะรมาอันนลลอฮย่าละมมาอยู่สิรูนโดยไม่ต้องสงสัยที่กีบาแทะภาษาอุรดูนะอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้ ผู้ที่จองของผู้ที่มีหัวใจที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ปิดบังความจริงเอาไว้นั่นนะ่ะวามายวะอเลนูและที่พวกเขาเปิดเผยนบีมุฮัมมัดถูกด่าเนี่ยสี่เรื่องหนึ่งดาว่าไงนะักซาฮิรเป็นอะไรนะเป็นนักมายากลชาฮิรเป็นนักกลอนกาฮินหมอดู มายาูนเป็นคนบ้าเขาคุยกันลับๆที่บ้านของคนที่ไม่เอ า, าศาสนะอาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังหมดเลยอะเนี่ยมุฮัมมัดถูกดา่าวันนี้เราเองก็เหมือนกันคนที่แต่แอนตี้ซุนนะนบีอัลลอฮ์รู้หมดตอนนี้ปัญหาว่าทําไมอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษอคนไม่เอ า, าศาสนาทําไมอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษอลัลลอฮ์เล่าในกัรพีจารณานไว้ สิ่งสองสิ่งที่อัลลอ์ไม่ลงโทษคนไม่เอาศาสนามีอยู่สองรายการรายการที่หนึ่งอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษว่ามาการอัลลอฮ์หูมูอัซซิบะฮูมอัลลอ์ไม่ลงโทษเขาเหล่านั้นคือคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยไม่เอาสุนนะนบีเนี่ยหนึ่งมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่เป็นประกัรไม่ได้รับการลงโทษส่วนใหญ่นะ จะไม่ได้รับการลงโทษขณะที่นบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่วันนี้นบีตายไปยังอ้าวเสียชีวิตไปแล้วยังมีอีกเหลือหนึ่งรายการอะไรครับวะมาการัลลอฮุมูอาซีบะฮุมวะฮุมยัสตักฟิรูน AH ah um, อัลลอฮไม่ลงโทษเขาเหล่านั้นขณะที่พวกเขาเดินต่อว่าบอยู่ที่นครมักกะที่กะบะเดินตว่าอยู่แล้วขอถอาว่าไง อัลลอฮุมมัฟิลุมอัลลอฮุมมัฟิลีโอ้อัลลอฮอภัยโทษด้วยเห้ไมพ่นน้องรวมไปถึงเรื่องเก่านะฟาโรทิดแอนตี้ น, ะ ie, นบีมูซาเนี่ยอัลลอฮมันใส่นะนบีมูซาขอดวอาล์รับรับว่าอยาอัลลอฮทำลายฟาโร่ในบ้านในพระราชวังในปราสาท เราบอกไม่ได้ไม่ได้มมซาทําลายไม่ได้ทําไมทําไมเพราะว่าวันที่มันสร้างปราสาทเสร็จนะวันนั้นมันเขียนชื่อฉันแปเอาไว้เขียนว่างี้บิสมิกลลอฮหุมมาด้วยพระนามของอัลลอฮ์วันนั้นโมซายากังไม่ใช่ฟาโรยังไม่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเป็นอะไรนะเป็นพระเจ้าะกำลังรวยอยู่มหาเศรษฐีพอสร้างปราสาทจบเขียนชื่ออัลลอฮ์ว่าบิสมิกลลอฮหุมมา ละ ว, ว่าฉันไม่ลงโทษในบ้านที่มีชื่อของฉันแปะอยู่ฉันให้เกียรติเขาใ ห, ห้พี่น้องเห็นได้ออยังคนที่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจอ่ะท่า น, นเราเองเหมือนกันนะถ้ามีอัลลอฮ์อยู่มีอีมานอยู่มีสุนานะานบีอยู่รับรองไม่ตกนรกอันนี้อัลลอฮ์ววจะให้ตายที่ไหนม่ะซาไว้าตายตายในน้ำตายในทะเลแดงเห็นไหม พราะอันนั้นเห็นอย่างนี่ท่านอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องครับอิมาเราเพิ่มมาอัลลอฮ์อัลกุบะอ้าวพี่น้องจะจบแล้วนะขยัสุดท้าย <S <S <ess> <of people> วาอาิซาตีลาลาฮุ <S <S <ess> <of people> มเมื่อได้มีคํากล่าวกล่าวแก่พวกเขาว่า <S <S <ess> <of people> <ess> <of people> มาจาอันซาลาบุคุมอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานอะไรลงมา บ้างให้กับพวกเขาความจริงอ่ะอลัลลอฮฺประทานกูอ่านมาใช่ไหมใช่ไหมนี่มาจากอาลัอลลอฮฺจมอัลลอฮฺถามว่าอัลลอฮฺประทานอะไรมาบ้างก็รู้พวกเขาเก่าวคนที่ไม่เอาศาสนาเก่าวว่าไงนะอสาสตีรุลอา ว, วลีนนิยายปา ร, ปรมัมปาราเรื่องเล่าเลาเรื่องโกหกทั้งหมดของที่อลัลลอฮฺให้มาในะเรื่องโกหกเรื่องตอแหลทั้งหมด นั่นคนไม่เอาศาสนาพูดเยอะเย้ยอัลกุรอานนี่ต้องการจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าคนไม่เอาศาสนาเนี่ยเยอะเย้ยคาสอนของนบีเยอะเย้ยคาพูดของอัลลอฮ์อ้ามีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งท่านสาอิดเบนจูเบลเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นศัตรูของอิสลามชื่อนายนาดรบินฮาริสนายนาดรบินฮาริส พวกนี้มาประเทศเปอร์เซียมาประเทศอิหร่านแล้วก็มาเนี่ยมาหาความรู้มาอยู่นานๆสามปีสีป่ปีมาเห็นเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆอย่างที่จะเล่าเรื่องตำนานเก่าๆกันอย่างของเราเล่าอะไรนะเรื่องสีถนนชยัยยกตัวอย่างอ่าสีถนนชยัยล้วก็นั่งฟังสีถนนชยัยแล้วก็เรื่องอะไรอีก เรื่องแม่นางพระขนองใช่ไหมอยู่ตรงวัดอะไรนะ อ, อ น, นุทนะว่าอะไรนะวัดวัดมหาบุตรออย่างเงี้ยเราก็นั่งฟังฟังฟังฟังแล้วก็นางเงือกอ่ะเราก็นั่งฟังเข้าหูชินไปหมดพอก็ถามว่ากุรอานอัลลอฮฺประทานอะไรมาบ้างให้กับเรานมันจะมีอะไรมีนางเงือกมีอะไรนะ มีแม่นากประกนงแล้วก็มีอะไรนะสีถนนชายมองอัลกุรอานเหมือนกับแม่นากประกนงเป็นข่าวเล่าๆกันว่าบาปยังแรงเลยคนประเภทนี้อัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์ว่าไงถูกไมฉันได้ทำลายอัลลอ์ได้ทำลายคนนี้ให้ตายในสงครามจะนั้นการตายในสงครามเลยนะคนที่ไม่เอาศาสนาคือการทรมาน แต่สำหรับมุสลิมที่ตายในยสงครามนั้นเขาจว่าตายอะไรตายชีวิตเราต้องนึกตลอดเวลาฉะนั้นคนไม่เอาศาสนาและ ส, ส่วนใหญ่คนที่แอนตี้ศาสนาเนี่ยตายง่ายมากเลยอย่างที่แล้วมีอยู่สี่คนเี่มาที่ตายมีอะไรบ้างถุกน้ำตามตายไม้ลงมาจากต้นไม้ลนถูหัวนิดนึกตายอ่าอบูลบบาฮับอบูจหันก็เหมือนกัน ที่วางแผนเดือยจะยึดนครมา ก, กาณ์น่ะถูกหินถูกหัวตายอาลัลลอฮ์เล่นงานมดน่ะฉะนั้นตายต้องมีสาเหตุอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะตายแ ล, ล้วอัลลอฮ์เล่นงานในกูโบต่ออีกตัวอย่างคือฟาโรห์วันนี้อลัลลอฮ์เล่นงานเช้าเย็นวันละสองมือสองมือสองมือสองมือเจ้านายเป็นองครับต้องนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงชีวิตหลังตายเยอะๆจะทําให้เราอะไรนะ ออกห่างจากความชั่วและอีกอย่างหนึ่งก่อนจะจบพี่น้องอย่าดองครั้งที่แล้ ว, ว่าพูดเรื่องดองใช่ไหมอย่าดองอะย่าน้ําหมักของปลาเชงอะดองไปเลยยี่สิปีไม่มีปัญหาแต่ไอความผิดของเรานี่อย่าดองดองทําไมไม่ใช่น้าหมักเนี่ยให้ทํางานนะให้ตาบ้าตัวถอดรอซะกลับเนื้อกลับตัวซะทะเลาะกับญาติพี่น้องเราว่าดองไว้ทําอะไรอ่ะสาสามปีแล้ว ไปสลามคืนดีกันซะอย่าดองเพราะไม่ใช่น้ำหมักน้ำหมักปราเชงก็ดองอย่างนี้หนึ่งน้ำห้าลิตรน้ำตาลทรายหนึ่งหนึ่งกิโลผลไม้สากิโลแบบน้ำามากีเเทศสมหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านี่เป็นน้ำหมักไปดองใชไป้องเพื่อสุขภาพตัวเองหลังจากเขาได้เทสแล้วนะนี่ปราเชงด้สอนไว้ก็มีมันก็มีประโยชน์สำหรับพวกเรา ท่นผมก็เอาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังว่าอย่าเอาความผิดนันดองแบบน้าหมักป้าเฉงนะครับ